หนังสือชุดหลวงตาวัดป่าบ้านตาดรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นนี้มีสามเล่มเล่มนี้เป็นเล่มที่สองผมจัดพิมพ์หนังสือชุดนี้ขึ้นโดยความตั้งใจส่วนตัวของผมเองพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เคยชี้แนะหรือบอกให้ทำจุดประสงค์ของหนังสือชุดนี้ก็เพื่อน้อมบูชาและเทิดพระกุนองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมห ah าบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพรักเทิดทูนศรัทธาเลื่อมใสของเหล่าลูกศิษย์และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณขององค์ท่านอันเป็นการชี้แนะให้สาธุชนได้ตระหนักว่าในโลกยุคปัจจุบันพระอรหันยังคงมีอยู่ตราบใดที่มรรคผลยังไม่สูญสิน้นและผู้ปฏิบัติมีความภาคเพียรอย่างอาจหารผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะมีวาสนาได้กราบนมัสการพระอรหันด้วยตนเอง และได้มีโอกาสร่วมทําบุญกับท่านอันเป็นการสั่งสมบุญกับเนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์หนังสือชุดนี้รวมบทบอกเล่าบทเขียนบทร้อยกรองของบรรดาลูกศิษย์ซึ่งรวมถึงผมและคณะผู้ร่วมงานที่ได้ประสบมาด้วยตนเองด้วยความประทับใจอจัศจรรย์ใจและซาบซึ้งใจจนเกินกว่าจะหาถ้อยคามาบรรยายได้อย่างตรงกับความรู้สึก ประสบการณ์ที่ถ่ายทอดลงเป็นตัวอักษรหลากหลายไปตามเหตุการณ์ที่แต่ละคนได้พบเมื่อได้อ่านและรู้จักพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาของเราแล้วขอท่านกรุณาไตร่ตรองด้วยปัญญาอันชอบเองว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ท่านจะหาโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะภาคเพียรเดินทางไปรู้จักท่านไปสัมผัสกับความเมตตาของท่านและท่านจะกราบพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวด้วยความเคารพจากใจอย่างที่พวกเราลูกศิษย์ทุกคน ปฏิบัติกันสืบมาปัจจุบันหลวงตาท่านอายุถึง95ปีกว่าแล้วท่านเคยประสบอุบัติเหตุลื่นล้มทั้งในกุฏิและในบริเวณวัดในช่วงที่ห่างจากผู้ติดตามดูแลท่านอยู่ในวัยชราที่สมควรจะต้องได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วโดยมีผู้ดูแลใกล้ชิดก็เหมือนกับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ที่เราต้องตอบแทนพระคุณคอยดูแลท่าน จึงควรที่บรรดาสิทธ์ทั้งพระและคารวาดต้องร่วมกันดูแลท่านให้สมกับที่ท่านเมตตาพวกเรามาตลอดระยะเวลายาวนานคอยอบรมสั่งสอนชี้แนะสนับสนุนให้พวกเราอยู่ในกรอบของศีลธรรมรู้จักทำบุญสร้างทานบารมีเพื่อเป็นสเสบียงของตนเองและเผื่อแผ่ไปยังบุคคลอื่นๆตลอดถึงเทพเทวดาเจ้าคำนายเวน คำสอนของหลวงตาเป็นคำสอนที่หนักแน่นมั่นคงและมาจากธรรมซึ่งอยู่ในจิตขององค์ท่านพรางปลูออกมาไม่ขาดสายกระทบกับใจของทุกคนที่มีความมั่นคงในองค์ท่านได้ตรงจุดที่จะนำไปปฏิบัติหลายคนมีความสงสัยว่าเทศของท่านมาตรงกับเรื่องที่ค้างคาอยู่ในใจของพวกเขาได้อย่างไรน่าอาศัศจรรย์เหลือเกินสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญหรือเป็นการคาดเดา แต่เป็นการแสดงให้ทุกคนได้ประจักษ์และยอมรับในการรู้แจ้งเห็นจริงของท่านมีผู้เล่าประสบการณ์มาเผยแร่หลายท่านเช่นพิกรมคุณมนัดและคุณเพียรใจ ด, ด, ดรดาราวันเป็นต้นรวมทั้งตัวผมเองที่ในหลายประสบการณ์ต้องยอมรับในความรู้แจ้งเห็นจริงของท่านอย่างซีโรราบ ผมเคยกราวเปี่ยนหลวงตาท่านเรื่องหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งว่างานหนังสือของท่านพ่อใกล้เสร็จแล้วครับท่านหันมาทางผมพร้อมกับกล่าวว่าไม่ต้องประชาสัมพันธ์เรามากหรอกแล้วท่านก็ยิ้มให้ขณะนั้นหนังสือยังไม่ได้ขึ้นท่านพิมพ์กําลังตรวจพิสูจน์อักษรกันอยู่ผมกับพี่กรมซึ่งนั่งอยู่ด้วยกันต่างมองหน้ากันแล้วพูดขึ้นพร้อมกันว่าท่านทราบได้อย่างไร เราไม่เคยกราบเรียนอะไรให้ท่านทราบเลยเพียงแต่ขอพอรจากท่านขอให้งานสําเร็จเรียบร้อยอย่าได้มีอุปสรรคอะไรเลยซึ่งท่านก็เมตตาให้พรว่าให้สําเร็จผมกราบเรียนท่านเพียงเท่านั้นก็คงจะไม่ต้องถามแมครับว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าหนังสือจะออกมาในรูปแบบแง่มุมใดอย่างไรวันที่เริ่มแจกหนังสือตรงกับวันเปิดสามแดนโลกทาตุ วันที่30พิพฤษภาคมพุทธศักราช 2,551 ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่29พิพฤษภาคมผมจัดหนังสือใส่พานพร้อมด้วยดอกไม้ทูบเทียนนำไปกราบขอขมาหลวงตาที่โรงน้ำร้อนวัดป่าบ้านตาดท่านรับขมาจากผมต่อหน้าพี่กรมและอีก2ถึงสคนที่ไปด้วยกันหนังสือทุกเล่มมีหมายเลขประจำเล่มเล่มที่นาไปขอขมาต่อท่าน เป็นหนังสือเล่มที่00001 00ท่านมองหนังสือแล้วเลื่อนออกไปเพื่อจะให้นำไปเก็บซึ่งผมก็ตั้งใจว่าควรจะเก็บไว้เป็นเล่มประวัติศาสตร์เพราะเป็นหนังสือแนวใหม่เล่มและเลขที่หนึ่งแต่ก็ให้มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นผมทราบมาว่าพวกเรายังไม่ทันคล้อยหลังดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มากราบหลวงตาต่อจากผมเห็นหนังสือวางอยู่จึงเอิดปากขอจากท่าน ด้วยความเมตตาท่านจึงอนุญาตหนังสือเล่มนั้นเลยตามท่านรองผู้ว่ากลับจวนไปด้วยกันเสียแล้วผมดีใจที่หนังสือนี้เป็นที่ต้องการของผู้คนจำนวนมากมากกว่าที่คาดการไว้และมีผู้โทรศัพท์มาหาผมทุกวันทั้งชายและหญิงมีเรื่องมีคำถามที่ต้องการบอกเล่าให้ทราบและปรึกษาปัญหาข้องใจต่างๆตั้งแต่เรื่องคนใกล้ตัวคือสามีภรรยาและลูก ไปจนถึงปัญหาชีวิตหลากหลายแงยม่มุมตลอดจนคำถามเกี่ยวกับธรรมะเช่นทำบุญแล้วจะได้รับผลบุญหรือไม่เป็นต้นสแสดงให้เห็นว่าคนจำนวนมากยังขาดที่พึ่งไม่สามารถหาทางออกได้ผมจึงได้ส่งเรื่องต่อไปให้ผู้รู้หลายๆท่านให้เป็นที่ปรึกษาตามแนวที่แต่ละท่านถนัดหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าสาหรับคนจานวนมากแต่ก็อาจจะไม่เป็นที่สนใจของหลายๆคน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนพวกเราพยายามเสนอแนะทางสว่างของชีวิตให้ท่านอย่างเต็มที่แล้วผมขออนุโมทนาและขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงสําหรับการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือในครั้งนี้หนังสือนี้ไม่ได้มีไว้ขายพิมพ์เพื่อเผยแพร่เท่าที่จะทําได้ผมขอเพียงว่าหากท่านมั่นใจแล้วว่าหลวงตาคือพระอาหารหันต์วาจาสิทธิ์ ที่พวกเราสแสวงหาและเราสมควรกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจก็ขอให้ท่านเร่งรีบโอกาสมีแล้วรีบไปกราบท่านเราเป็นลูกพ่อแม่ครูอาจารย์เดียวกันเราคือพี่น้องครอบครัวเดียวกันครับลงท้ายเคารพคุณหลวง